ตอนนี้อยากจะกราบเรียนถามในแง่มุมของการปฏิบัติธรรมค่ะก็มาฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมและสำหรับในยุคที่ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้เท่านั้นข้อมูลที่เราได้รับทั้งหลายแหล่ตามสื่อต่างๆในแง่มุมต่างๆเนี่ย เราถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ไหมเมื่อถือแล้วมีประโยชน์ไหมก็ขอโมทนาเนียตรงนี้ก็เดี๋ยวพระพหุพงต้องช่วยกันตอบใ น, นเรื่องปัญหาเรื่องเร่งเอเรื่องดี๋ยวใครเดี๋ยวถามโยมห น, น่อยนะว่าใครเคยผ่านการปฏิบัติกันมากันมากหรือยังเนี่ยที่นั่งๆกันวัน ใครเคยไปเข้าห้องกรรมฐ า, านปฏิบัติว้างยกมือหนึ่งตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของกรรมฐ า, านหรือที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ในที่พูดนิรวมเลยเอทมาก็พยายามจับประเด็นที่ทางพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทมาเอ๊อย่างนี้อย่างนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยก็คงอยากไม่อยากจะระบุสถานที่นั่นเอง คืออย่างนี้ว่าหนึ่งอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเป็นเครื่อหักเป็นผู้คองเรือนอันนี้จะต้องลือยาลืมฐ า, านะของพวกเราเนะและในคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเวลาสอนอุบาสกรุบาสิกานั้นน่ยท่านสอนอย่างไรเอามายกในเรื่องของอุคคะขณะบุดีที่พระาศาสดาพระบรมาศาสดาสอนเกี่ยว่องการแสดงธรรมและท่านได้บรรลุ ธรรมที่ทรงแสดงนั้นคือทานกักถาสีลกถาสักขาขถาการมาทีนาวากะกถาคือโทษของการเนคขมานิสังสั ก, กถาอณิสงของการออกจากการแล้วก็สรุปลงในทุกสมูทยัทยนิโรธมรรคเกริยสะสีแล้วก็ได้บรรลุแต่ในยุคนี้เมื่อฟังธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้บรรลุจะทำยัยงไงใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งประเด็นเหตุผล ที่ฟังทำในยุคนี้แล้วเนี่ยโดยมากเตลิดหรือก็เลื่อนลอยกันโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลในการฟังของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเหตุผลที่ไม่แข็งแรงพอสังเกตดูไหมพอพูดเรื่องทานารักถาเนี่ยหนึ่งในชั้นคำสอนจริงๆท่านแจกเรื่องทานละเอียดแต่นี้เรามาก่าวยอ่อๆซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับอัตยาสัยของคนเราในยุคนี้อีกสีรกรถากาเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านขยายกว้างมาก แต่เราก็มาเรียนแบบย่อๆแล้วก็สักขากถาพูดถึงในเรื่องของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อีกเยอะมากที่กล่าวเข้าไว้แต่เราก็เรียนแบบย่อๆหมดเลยกรารมาทีนวัคถาโทษของกาลมนี่พระศ า, าสดาสแสดงไว้เยอะในจุลกรรมในในจุลทุกขะขันตสูตรมหาทุกขะขันตสูตรเป็นต้นตลอดถึงโทษของกามแสดงไว้เยอะแยะหมดทั้งในธรรมมจากรปวันสูตรก็แสดงไว้หรือใน กายคตาสติสูตรก็แสดงในเรื่องของโทษองกามอีกเยอะหมดเลยมั้ก็ไม่ได้มาขยายแล้วก็เนคขัมมณนิสังสัตถาเกี่ยวเรื่องของเนขัมมบารมีที่ทรงแสดงไว้ที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้นี่นะก็อีกมากก็ยังไม่ได้นำมาก่าวแล้วก็อริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสนาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นามาแสดงแบบละเอียด ฉะนั้นเวลาเราฟังทำกันในยุคนี้ก็เดมา ก, กับฟังกันแบบพันๆเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อันนี้นี่สรุปประเด็นตรงนี้ก่อนทีนี้เพราะเอิญอยู่ต่อมาก็หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ต้องการเข้าไปเข้าอยู่ในห้องกรรมฐานแล้วก็หยิบเอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งขึ้นมา ล, ลึกขึ้นมาเดินแล้วก็คิดว่าจะได้ผลแต่ดูเหมือนจะได้ผลแต่พอไปไปมาๆก็ไปติดล็อกอีก ติดล็อกตรงที่ว่า1ตนเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆยิ่งไปไขควรไปลักษณะอย่างนั้นไปนเสร็จก็เลยเดินไปกับความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดว่าบอกว่าอ๋อเราโตแล้วคิดเองได้ไงเราไปคิดอย่างนั้นนะเช่นให้ตัวรูปกรรมฐานตือตัวตัวรูปแบบไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้เราไปกำหนดตามนั้นเมื่อกำหนดตามนั้นเบ็ดเสร็จ ถ้าจิตมันชอบอย่างไรหรือมันผ่องใสยอย่างไรก็ให้ตามความคิดนั้นไปอย่างนันอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะเขานัเ ข, า ก, ขาก็สรุปก็วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราไปตรวจสอบหรือไปสนทนาไปสอบถามกัาจริงก็กลับกลายเป็นคนแปลกๆเลยยังไงคำว่าแปลกๆในที่นั้นก็หมายความว่าเอ๊ะพอไปเข้าปฏิบัติกรรมฐานเลยกลารเป็นคนเอกเทศไปย่งหนึ่ง กลับมาทางบ้านก็เข้ากับทั้งบ้านมก็ไม่ค่อยได้มันกลายเป็นความปฏิบัติที่ผิดผิดปกติไปแล้วซึ่งในสมัยข้าพเธกาก ล, กลับกลายไม่เป็นอย่างนี้เลยผ้าเลียะบุคคลทั้งหลายมีชั้นเบโสดาบันสกาธานาคาทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นคนที่ยังอยู่ในสภาพของสังคมของเขาได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในสังคมของในแคว้นอารวีเนี่ยนะในแคว้นอาราวีเนี่ย อุบาสกที่ตามท่านอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแม้แต่อุบาสกของอุคคะข่าวดีเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอีกท่านหนึ่งนะีอยู่ในแควนาลวีเนี่ยมีอุบาสกแล้วก็มีเพื่อนๆตามเนี่ยล้วนจะเป็นอุบาสกหล้วล้วนมีพระโสดาบาันเบต้นท่านใช้คําว่าเนี้ยไม่มีบุรุษชนเลยห้าร้อยเวลาท่านเบ ป, ปังทำกันเนี่ยเนะี่ยอันนี้แปลว่าอะไรท่านก็ประกอบอาชีพการงานเนี่ยแก่เป็นกลุ่มชนของอริยชน แต่ไม่มีผลปรากฏว่าท่านไปส้มเข้ากรรมฐานกันเลยนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยแต่มีการไปฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเป็นอัคยาศัยในชีวิตเราเคยเอจใจไหมว่าเออเป็นแบบนี้ท่านจะเข้าวัดกันเป็นระยะระยะฟังธรรมแล้วก็กลับมาก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติไม่มีกล่าวไว้ในสูตรไหนเลยนะสองหมื่นกว่าสูตรนี่นะามาตรวจสอบดูเนี่ยนะ ไม่มีสูตรไหนเลยว่าเออมีการคารวะเข้าอยู่กรรมฐานเป็นร ะ, ะระยะระยะไม่มีเลยแต่มีฟังธรรมเป็นอัธยาศัยทุกแทบทุกวันนี่มีทุกวันเนี่มีกลางวันไปทํางานกลางคืนเข้าวัดเราฟังธรรมอยู่ดึกๆดืด่นๆบางทีก็ทั้งคืนแล้วก็กลับเนี้ยกลางวันก็ประกอบอาชีพตามปกติอยู่เนี้ยนะมีอัธยาศัยเป็นไปลักษณะนี้ที่บ้านก็เปิดเป็นที่พิกขาจารย์ของพระ จัดอาสนะถวายแต่งตั้งไว้บางบ้านที่เป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีก็รับห้าร้อยรูปเลยมีอาสนะปูไว้เบียดเสร็จมีพระกลับไปพระมาก็ต้อนรับดูแลอย่างดีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันตนเองก็ประกอบอาชีพการงานวิญปกติเนี่ย น, นี่พอจะมองเห็นใช่ไหมว่าว่าสังคมในยุคโน้นกับในยุคนี้ในการเข้าถึงคาสอนก็ต่างกัน เอาถ้าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูไปแล้วก็คือว่าเราเดินออกไปจากหน้าที่ตรงเนี้ยสภาพสังคมนั้นอะ่ะเราจะหาคนประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยากมากๆากเลยของไปวางไว้ที่กลางถนนไม่ถึงห้านาทีจะต้องหายภายในพิพิตตาทันทีใช่ไหมซึ่งซึ่งในยุคนั้นมันคนละยุคกันแล้วอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าในยุคนี้นะก่อนที่จะเข้าในเรื่องกรรมฐานเนี่ย ในยุคนี้นะคนเจริญกรรมฐานกันเป็นพักๆซึ่งมันผิดอย่างมหาหนนะไปคิดว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันมีอยู่เฉพาะในวัดเดินออกจากนอกวัดก็ทิ้งเสียหรือกรรมฐานก็คือไปเฉพาะเป็นบางคอร์ส ท, ที่จัดอบรมเจวันสิบห้าวันหลังจากนั้นก็ปล่อยชีวิตตามตามสบายเป็นไปกับบาปอะไรก็ได้จะดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่น หรือไปเที่ยวเที่ยวขับอะไรตามนี้เขาพูดกันนี่นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถึงปีนึงก็มีการเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่สักทีสองทีอย่างเงี้ยเขาพูดกันในํำนองอย่างนั้นหรือไม่ถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้บ่งบอกถึงจุดเสื่อมมา ก, มากแล้วเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระศ า, าสดานั้นน่ะท่านถือการปฏิบัติทุกมุมทุกจุดของชีวิต ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นพักพักแม้กระทั่งประกอบอาชีพการงานอยู่เช่นการค้าขายเนี่ยท่านก็เดินอาชีวะปริสุดที่ได้อยู่ซึ่งเป็นมิสัมมาอาชีวะขับเน้นการไม่กระทํามิจฉาอาชีพถ้าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเป็นไปกับกุศลไม่ใช่ประกอบอาชีพการงานแบบหน้าดำค่ำเครียดกันอยู่ทุกวันนี้หรือแม้การไปสอนหนังสือ หรือแม้การไปประกอบอาชีพยำอื่นทำนาทำไรทั้งหลายก็ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่สามารถเอาธรรมะของพระีภาคเจ้าไปถ้าศัพท์ภาษาสมัยใหม่ท่านใช้คาว่าไม่สามารถเอาไปบูรณาการใช้ได้ในจริงในชีวิตนะ่ะใช่ไหมแต่การไปใช้ได้เป็นกระจุกกระจุกเฉพาะที่นี้เป็นปัญหาที่ ตีบตันทางด้านปัญญาของชาวพุทธนะที่ชาวพุทธไม่สามารถเอาคำสอนของพระาศาสดาของพระรมาศาสดาเนี่ยเอาไปขับเน้นและปฏิบัติได้จริงในขณะที่อยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือประพฤติกับพ่อแม่กับครูอาจารย์กับบุตรภรรยาสามีกับป้ากับลุงกับน้ากับผู้ใต้บงังคับบัญชากับพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เมื่อคำสอนของพุทธเจ้านั้นถูกจำกัดสถานที่อย่างนี้แล้วแล้วศาสนาจะเจริญในใจของชาวพุทธไม่ได้และการปฏิบัติใช่ไหมตยิ่งบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสะาสามความเข้าใจมุมนี้จนจนกระจายก่อนถ้าไม่สามารถสะาสราในมุมนี้ได้ให้ชาวพุทธได้เข้าใจคำสอนให้ชัดเจนให้ลึกซึ้งในมุมนี้ได้ ในที่สุดจริงๆมันก็ตีบตันเงินอยู่อย่างเงี้ยเราจะเสนอกรรมฐานปุ๊บออกไปเสร็จกรรมฐานก็ยังอยู่ในบล็อกที่มันถูกจํากัดมุมอยู่นั่นเองที่สุดจริงๆตัวกรรมฐานจริงๆหรือตัวคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่ได้เอาขับเน้นและใช้ได้จริงในชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะใช้ได้เฉพาะในวัด หรือในเวลาที่ไปเข้าห้องกรรมาฐานแต่ท่านขับเน้นให้ไปใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงๆเช่นเมื่ออยู่กับภรรยาเนี่ยจะเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรในฐานะคุณเป็นสามีเนี่ยหรือภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีเนี่ยลูกจะปฏิบัติต่อพ่อพ่อจะปฏิบัติต่อลูกต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยหรือจะปฏิบัติต่อต่อผู้มีอุปการลาคุณทั้งหลายหรือเพื่อนมิตรทั้งหลายหรือครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลาย หรือพูกใต้บังคับบัญชาทั้งหลายปฏิบัติต่อเจ้าหนาาอย่างเนี้ยมันมีหลักการยึดโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วเป็นไปกับจารีศรีลเป็นไปกับวารีศรีลเป็นไปกับสมาธิและปัญญายัางไงท่านขับเน้นการขับเน้นในลักษณะอย่างนี้แปลว่าพระธรรมคาสอนของพุทธิย่าเดินอยู่ในใจของท่านเหล่านั้นได้จริงๆนะถ้ามองอย่างนี้เอาพอสมมุติว่าเราบูรณาการเกเินความเข้าใจของคนสมมุตินะี่นะ อาตมาสมมุติว่าเออสมมติเราคนในยุคนี้ในห้องเนี้ยเข้าใจแล้วพอเข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วมันเป็นการกระจายแล้วหนึ่งจากห้าจากหนึ่งเป็นห้าจากหนึ่งเป็นสิบได้นี่มันก็กระจายออกได้จริงใช่ไหมอย่าลืมนะว่าอุบาสกบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกระจายได้จริงๆสามารถเอาคําสอนพระเจ้ากระจายออกได้จริงเพราะมีปัญญาเพราะมีอุดมการณ์ไงเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเพราะไม่ใช่ไปหลอกลวงเขาแต่ไปช่วยเหลือเขา ทำให้เขาเนี่ยพ้นจากเครื่องพันธนาการคือความเข้าใจผิดเนี่ยที่มันลุมล้อมอยู่ในจิตของเขาเนี่ยโดยเฉพาะไอความมืดบอดของจิตนี่แหละชาวพุทธสามารถขยายความเข้าใจได้ถูกต้องจริงๆและมีข้อมูลของพระเจ้าที่ถูกต้องจริงไม่ใช่รู้แบบเป็นกระจุกกระจุกและเชื่อมโยงติดต่อกันไม่ได้กระจายเข้าสู่มาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยตัวนี้มันก็ติบตันแล้วก็ไม่รู้จะขยายออกอย่างไร ในขณะที่ตนเองเองก็ยังมีปัญหาเต็มไปหมดก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนได้เองแล้วคนเกี่ยวข้องเขาก็มองเราก็าก็ไม่ศรัทธาไม่จะศรัทธาได้อย่างไงเพราะท่านผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาส่วนหนึ่งแต่นี้ก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานถ้าลองมาดูอย่างนี้ว่า เอาสูตรที่เราฟังกันมาอุคคะอุคคะสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่บอกคุณธรรมของอุคคะ ข, าขาราววดีแล้วอุคคะ ข, าขาราบดีเนี่ยอุขคะหาวดีเนี่ยท่านพูดเองว่าท่านบรรลุอย่างไงท่านบอกว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลื่อมใสเลยใช่ไหมพอเลื่อมใสปุ๊บแล้วท่านก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ลงแล้วท่านก็เ ง, งียบโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ พระศาสดาก็แสดงทานแสดงศีลแสดงสัก ข, ขาคืออนิสงส์แล้วก็แสดงการมาทีนวะคือโทษแล้วก็แสดงเนคขามั น, นีสังสักถ า, าพอแสดงเบ็เสร็จแล้วจิตของท่านก็อ่อนอ่อนควรต่อกุศลคือสภาพกุศลและจิตจากที่ไม่ค่อยเกิดในใจของท่านเนี่ยก็คือคาวาตก็คือเป็นผู้ที่คับแคบใช่ไหมคําว่าคาวาตเนี่ย ก็ปแปลผู้คับแคบผู้คลองเรือนเนี่ยคําว่าคับแคบคือคับแคบอะไรอยอมยอมรู้ไหมคําว่าคับแคบยอมโจู้คำว่าคับแคบ แ, แปลว่าอะไรแปลว่าบุญมันเกิดยากบาปมันเกิดง่ายเขาจึงเรียกว่าขี้หิเพศไงคือเพศที่ต่ําอ่ะคําว่าต่ําในที่นั้นก็แปลว่าบุญเนี่ยเกิดยาก แต่บาปเกิดง่ายคิดบุญไม่ค่อยออกแต่คิดบาปคล่องพูดเรื่องบุญไม่ค่อยได้แต่พูดบาปคล่องเนี่ยนะทำบุญก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำบาปนี่คล่องเลยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยเขาเรียกคาวาะแปร แ, แ, แปลผู้คับแคบนั่งฟังธรรมจะให้บุญเกิดก็ยากเพราะใจใจไม่อ่อนไม่อ่อนก็แปลว่าใจไม่ได้ถูกฝึกปรือด้วยกุศลอย่างต่อเนื่อง เหมือนเหล็กไงยมเหล็กที่ไม่ได้สู่เข้าเป้าเบ่าหลอมมันไม่อ่อนใช่ไหมทองเนี่ยทองที่มันจะอ่อนอำมาทาเป็นกาไลสร้อยแหวนนาฬิกาไปทำเป็นเครื่องประดับได้เนี่ยทองนั้นมันต้องถูกหลอมจนอ่อนใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยพระธรรมมาเทศนาของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยหลอมจนอ่อนเนี่ยเมื่ออ่อนควรต่อการงานก็ ถาาออกจากบาปได้ตอนเนี้ยมันยังปออนกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้ย <c oughs> มันแทรกซึมปนกันหมดแล้วจิตกับบาปนี่ยโดยมากมันเกี่ยวข้องกันก็หนักเป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่ดื้อรัน้นเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่ละไรเยอะแยะไปเยดเสทั้งแข่งดีใช่ไหมมานะทิฏฐิปร拉า萨าตีเสมอโอ้อวดมายาเจ้าเลสาเถยะอัจเนย อติมาหน้าอะไรต่างเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแหละโลภความโลภความโกรธความหลงเนอันนี้คือสภาพจิตที่มันแข็งแต่พอได้คําว่าทานกุศลเข้าไปศีลกุศลเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝึกขัดเกลาอ่อนโยนเนี่ยมันควรเลยแต่เนี้ยอันนี้ควรต่อการงานเพราะว่าตอนนั้นจิตเป็นไปกันในล้านของปลาโมดปีติปสัสธีความสุขเลยพระาศาสดาก็ สรุปลงอริยสัจบรลุนี่ฟังธรรมบรรลุเนี่ยถ้าถามบ อ, อกว่าอุคค่ะโอเคเนี่ยท่านท่านกําหนดกรรมฐานอะไรอกําหนดกรรมฐานอะไรตอนถามว่าพระบรมศาสดาสแสดงกรรมฐานอะไรจะแสดงกรรมฐานอะไรอ่ะ ถ้ามองอย่างนี้ก็คือให้เดินจาคานุสติสีลานุสติเข้าใจป่ะหรือพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุตั้งหลายทาอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวนี่นะหนึ่งนะนี่อริสงนะทำอย่างหนึ่งนะที่บุคคลเจริญแล้ว แล้วก็กระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายคือนิพิทาเนี่ยนะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกําหนัดเวลาค่านี่นะเพื่อความดับหนีนิโรธะเพื่อสงบเนี่ยอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อพระนิพพานเจ็อย่างไหมก็คือน่ายในหะนึ่งคลายกําหนัดในสองความดับหนีสามเพื่อความสงบในสี่ 4. เพื่อความรู้ยิ่งเนห้า เพื่อตัสรู้นี่หกเพื่อพานิพานนี่เจนี่อันนี้สงเจ็ดประการเหล่าเนี้ที่จะได้ก็คือทําอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรทําอย่างหนึ่งนั้นคือพุทธานุสติเ ไ, ไหมนี่พุทธานุสติอกค้าข่าวดีเจริญอะไรพุทธานุสติเพราะอะไรเลื่อมสเห็นปั๊บเลื่อมสแล้วเนี่ยพอเรื่อมสเบีดเสร็จก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรม พอแสดงทำเบสเสร็จเนี่ยยิ่งยิ่งศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นไหมศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นไหมและศรัทธาในการที่จะข้อปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เดินตามพระธรรมของพระเจ้านี่แหละจะเข้าเป็นหนึ่งในสังฆะได้ท่านฟังธรรมไปเนี่ยท่านเดินอนุสตินะนั่นแหละคือเดินอนุสติแล้วถ้าถ้าเราเลึกถึงทานในกุศลราลึกถึงศีลกุศลนะเป็นจานอานุสติเออ ถ้าลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติถ้าราลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้าเราลึกถึงคุณของวัฒนธรรมเป็นธรรมานุสติถ้าเราลึกถึงข้อปฏิบัติดีของพระริยาสอ์เป็นสังขานุสติเหล่าเนี้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้ อ, เ, ขอเรียกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วก็คือระลึกตามระลึกตลอดไม่พาคจิตออกไปจากการระลึกนั้นนั้น ไม่ปล่อยให้กิเลสดัดเล่นงานทำร้ายเหมือนการเดินทางเนี่ยระมัดระวังไม่ให้ใครที่อยู่ข้างทางเข้ามาส้มโจมตีแม้ฉันใดจิตในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในยะนั้นแหละไม่ปล่อยให้บาปนั้นแทรกเข้าไปโจมตีเข้าไปทำลายถามว่าเมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องเสร็จอย่างเนี้ยก็เหมือนกับเอาทองคําเป็นแท่ง เข้าสู่ที่หลอมเบ้าหลอมพอสูบลมเข้าไปเบียดเสร็จไฟก็เริ่มลุกพอไฟเริ่มลุกเนี่ยเหล็กทองแท่งใหญ่ๆจะเริ่มอ่อนไหมตอนนี้จิตเรามันแข็งก็ยางไงฮงด้วยทิฏฐิมานะจิตมันหนักด้วยถีนะมิทะจิตมันมีโรครุมแล้วด้วยราคาโทสาวโมหะจิตนี้ยังไม่ควรยังไม่ควรต่อการที่จะเดินกุศลอย่างต่อเนื่องได้เลย อ่แล้วจิตพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงไหทีนี้ถ้าถามบอกว่าวิธีการก็คือว่าฟังพระธรรมเกี่ยวในเรื่องของคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยให้ชัดทุกมุมนะให้ทานให้เป็นรักษาศีลให้ถูกแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกรรมฐานท่านใดทั้งหมดทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาศีราจาคา อุปสมาเทวตาอะไรก็แล้วแต่หรือจนถึงมรณสติอันนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้มากที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นชาพุทธระลึกถึงพุทธานุสติไม่ได้ลําบากแล้วขนาดเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของธรรมะเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเจ้าของธรรมะคือใครเป็นเช่นไรต่างๆอลไรเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ้าของธรรมะเนี่ย ล้วเราบอกว่าเราต้องการสมบัติเอามาใช้ทรัพสมบัติของท่านพู้นี้มาใช้แต่เราไม่ไม่รู้จักใครเป็นเจ้าของแล้วไม่เห็นคุณของเจ้าของแล้วเราจะไปเจริญกรรมฐ า, านเลยฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องมีประเด็นอะไรเหลืออีกเยอะในะที่มาตอบแบบกว้างๆนี้นะ แต่ตรงนี้เพื่อจะได้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วจะได้เจาะประเด็นนี้แต่ละเป็นรายบุคคลที่สงสัยที่นั่งฟังนี่เนี่ถ้าสงสัยประเด็นไหนอย่างไรแล้วก็เพราะอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นการสอบถามตามมาค่อนข้างเยอะถ้ามาเปิดประเด็นอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ถ้าหลายๆท่านคิดตามที่อย่างมาคิดนะถ้าเป็นอามานั่งฟังมุมที่เปิดอย่างนี้ออมาจะมีประเด็นการถามตามมาเยอะ